คนอยู่ในสังคมเดียวกันยังแบ่งแยกกันอยู่กันดีไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่วานเจริญกันมากมายมีอริยธรรมที่บอกกันว่าสูงแล้วก็ไม่พ้นเรื่องเรไรนี้อย่างที่เราได้ยินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกี่ปีกี่ปีก็ไม่รู้จักหมดไปคือการสงครามรบกันระหว่างอยู่กับอารับโดยเฉพาะอยู่กับปาเลสไตน์ทำสงครามกันอยู่เรื่อย เป็นสงครามที่มีความหมายทั้งในแง่เผ่าพันธุ์และในแง่ลัทธิศาสนาคือเรื่องชาวยูกับชาวมุสลิมซึ่งเห็นชัดว่าเป็นศัตรูกันมาเป็นพันพันปีแล้วมองใกล้เข้ามาอย่างประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้ก็มีสงครามการรบการฆ่าฟันกันด้วยเรื่องของลัทธิศาสนามองไปทางเมืองฝรัง่งอย่างในไอแลนด์เหนือก็มีการรบกัน